ฟังธรรมต่อกันค่ลำดับลดั บ, บ, บ, บ, บการกระทาของพวกเราให้เกิดการพบเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นแล้วได้สัมผัสต่อ ของเราจึงจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องเหมือนกับะลุงะลุงแร่ให้มันได้เนื้อออกมาโดยภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเช่นมันจริงๆ มีสติไปในกายสัมผัสสติกับกายสัมผัสกันเวลามันเห็นเวลาแับเกิดอะไรขึ้นนอกจากกายแล้วจะได้เห็นอีกัวทาอันหนึ่งมันเกิดอันหนึ่งขึ้นมาจะได้เห็นมันคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกัน สัมผัสเห็นแล้วไ้สัมผัส่อเราเลือกอะไรบางอย่างก็คล้ายกันต้นข้าวต้นหญ้าปลูกข้าว เวลาเราถอนโทษล้ามามัดใจมือไปมัดไปมัดเดียวกันเวลาเราจับออกไปปักเราก็ดูสัมผัสดูทั้งเห็นทั้งสัมผัสจะรู้จักเตือกอะไรที่ไม่ใช่ต้นข้าวทิ้งไปเอาเฉพาะต้นข้าต้นล้าปลูกลงไปนี่เรา เราทำกับมือเราเราเห็นกับตาเรามันก็ชำนาญขึ้นระหว่างมือจับต้นคล้ามือหนึ่งจับต้นกล้าใบออกมามือหนึ่งจับออกไปปักมันพอดีกันจนมชำนาญ ชำนาญในภาวะที่ทรเรามีสติไปปักไวเดนกายชำนาญเห็นกายเจริญชำนาญชำนาญทางกายทำงานทางใจทำงานแต่ชำนาญในการกระทำเรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์ เรียกว่าทำเป็นเวลามันหลงรู้เป็นเวลามันอะไรที่ไม่ใช่ความรู้กลับมาหาความรู้สึกตัวเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้เห็นมันเห็นไม่เป็นไปกับมันมาทำมันเดียวอย่างเนี้ยไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นใครก็คิดได้ นะคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องเสมอไปต้องมีการกระทําให้มันเกิดขึ้น <c oughs> ให้มันเป็นคิดเห็นพบเห็นคนละอย่างกันการพบเห็นเนี่ยมันสมบูรณ์กว่าการคิดเห็น จึงมีเป็นภาคปฏิบัติยังใช้ได้อยู่ในชีวิตเรานี่มันเห็นอยู่อันเดียวนานๆนนก็ชำนานขึ้นชำนานในการเห็นกายอาการเห็นแวก็จะมีคำพูดออกมาว่า กันออกมากายสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลาเขาอะไที่มันเกิดจากกายจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จักว่าทุกข์กาทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลาเขาจะเป็นความคิดที่แชกโซนแซงหน้าแซงหลังไปก็สักว่าคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลาเขา จะเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นความสงบเป็นความพุ่งสรางเขาสัพว่าธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นคำพูดเป็นปัญญาของเราที่เฉลยไปเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมนั้นบอกส่วนกายใจนี่เป็น เป็นวัตถุอันหนึ่งยังไม่พัฒนามันก็ใช้มาได้แต่ต้องอ้อมางพัฒนาให้มันเป็นอันหนึ่งให้มันดีขึ้นกว่าเก่าจึงจะใช้ได้ที่ว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามมันใช้ได้ยิ่งมาเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ยิ่งใช้ได้เอารูปมาทำดีเอารูปมาเล่าความชั่ว อ, อนา ม, มาทำดี อ, อนา ม, มาเล่าความชั่วถ้าเป็นกายเป็นใจก็มีรอดมีหนาวมีเจ็บมีปวดมีแก่เจ็บตายมีหิวมีอะไรต่างๆเป็นที่ไปของเขาแต่เราพัฒนาแล้วเห็นเอาธรรมาดีมันชั่วมันผิดมันถูกมันทุกข์เอามาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เพราะมันเห็นไม่ใช่ลูกมันเห็นสุขมันเห็นทุกข์ มันไม่เป็นผู้สุขมันไม่เป็นผู้ทุกข์เพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันเห็นแล้วมันไม่เป็นก็เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันก็มั่นใจในการใช้ชีวิตเจะรูปมาละความชั่วจะรูปมาทาความดีจานามมาทำความดีเจานามมาละความชั่วได้สำเร็จ เป็นกรรมเป็นการกระทาของเรามั่นใจในการใช้ชีวิตจะอยู่ที่ไหนก็มีรูปม่นางอยู่ที่นั่นมันแต่ฉานเห็นรูปมันมีทุกเห็นรูปมันเป็นนามมันทุกแต่ก่อนความทุกข์ที่เกิดจากรูปไม่ใช่รูปเป็นอาการไม่ใช่เรียกว่าทุก ควาสุขที่เกิดจากลูมเป็นอาการไม่ใช่เรียกว่าสุ ข, สขเกิดจากนก็เช่นกันไม่ใช่เรียกว่าสุขไม่ใช่เรียกว่าทุกเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นความดีของขอ ง, ของเขาเป็ น, ปนธรรมชาติของเขาอันหนึ่งถูกแสงแดดก็ร้อนถูกละอองฝนก็หนาวนันเป็นรูปธรรมน้ำธรรมมันมี ขันท่าไม่มีวิญญาณมันมีขันท่ามันมีธาตุใจมันจึงเป็นอาการที่เคยขึ้นได้ก็คนเป็นเป็นมันมีรูปมีนามถ้ารูปนามันแตกออกจากกันมันก็ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกมันหมดไปแล้ว เวลาไม่รูปมีนามมีขันห้าไม่ท่าจีมันใช้ได้เป็นรุ่นเป็นก้อนถ้าให้สําเร็จประโยชน์ได้จะเป็นรูปทุกนามทุกเป็นรูปโลกนามโลกเกิดโลกจะวนรูปเกิดโลกจะวนนามโลกของรูป<ล>ก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยโลกวางอย่าง ทุกบางอย่างที่เกิดกับลูกเกี่ยวข้องความทุกข์ถูกต้องไม่ถึงใจทุกบางอย่างํา <c oughs> หนดลูกนิดหน่อยทุกบางอย่างกำบรรเทาทําทได้ทุกอย่างมันร่องก็เข้าร่มบรรเทามื่อหนาวก็ห่มผ้ามันเหนียวก็กินข้าวถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนบรรเทา ไม่ช่บมาเป็นสุขเป็นทุกข์ใจตายตายกูกูไม่ใช่เอาสุขทุกข์คิดนั่นมาเป็นกูกูตายกูไม่ตายกูดีกูไม่ดีกูยากกูลาบากไม่มีลักษณะนั้นไม่มีเหมือนเมื่อก่อนทุกบางอย่างต้องละความโกรธความเครียดเครียดชิงชังความ อะไรอาวอนอะรต่ละไม่มันเท่าใช่ถูกต้องเอาประโยชน์จากจริงเหล่านี้มันมันพุ่นจากจริงเหล่านี้จนชันีนิชัานานทุกขรของอริยจังทุกข์ของอริัจังตันติมาตพังทิอะไร จะคงอุธปาติยาณังอุทาปาติปัญญาอุทบปาติวิชาอทาปติอารมณ์อุทาปาติทุกบางอย่างรู้ทุกของละเอจังปางัตพันติจบอะไรว่าไปทำมาจัดทำมาจัด พเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีฝันนั้นจะจักทำบิงไปหมุนไปทำลายความโลภความโกรธความหลงทุกข์ของอริชจงธาตตาปัญหาตับพันติจักขุอุทัปาติบิ่งไปแล้วยานังุทัปาติปัญญาุทัปะติอรโลโคุทปาติ ยาเกิดขึ้นแล้วเจเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจอเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเจเราไม่เคยมีมาก่อนมันเกิดขึ้นมาเป็นจับแข่งทำเหยียบย่ำความโลภความโกรธความหลงความโง่หลงมามันมีแต่การกระทามอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นทุกบางอย่างทุกที่เป็นเป็น สมุทัยปะหารไปเลยทําให้หมดไปเลยทําให้หมดด้วยปะหารไม่ใช่ไปฆ่าฆ่าแบบพระเจ้าไม่ใช่ไปฆ่าปะหารทำให้หมดพ ร, ร ะ, บบพร ะ, ระตับพันติเมพิกเวทําลายหมดมาเท่าไหร่หมดไปเท่าไรมาเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นดูดไปเท่านั้นพ้นไปเท่านั้นมันพ้นเพราะมันมี มันพ้นเพราะมันมีอู่ข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังพ่นไปข้างหลังผ่านไปแล้วหรือว่าจักแะ่งทำมันมีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความคิดไม่หาที่ไหนไม่พบเกิดจากการกระทําแบบนี้ไม่จะเป็นอะไรมาลู่ที่ไหนมาก็ต้องมาทําแบบนี้กันเห็นลู่เห็นนาม รูปนามนี่มันมีอายตนะมีตามีหูมีผัสสะนั้นมีภายโนอกภายในแล้วบางผัสสะมันมีหูต้องเห็นได้ยินเสียงผัสสะตรงนี้มีจริงๆถ้าหูไม่หนวกเหมือนลวงตามันตาหูหนวกก็ไม่ค่อยได้ยินได้ว่าวิญญาณทางหูไม่มี วิญญาณทางกายมีมันล่อนเป็นไม่วินมันมีวิญญาณผัสสะผัสสะมันก็เห็นศักดิ์ตวะศักดิ์ตวะได้กินศักดิ์ตวะได้กลิ่นศักดิ์ตวะได้รสศักดิ์ตวะสัมผัสศักดิ์ตวะคิดนั้นไม่ไปไกลเหมือนทิ่งก้อนก้อนหินใส่าผนังทิ่งไปถูกไปสัมผัสตกลงสัมผัสตกลง ถ้าไม่เห็นไปเป็นก็เหมือนทิ้งดินเหนียวใสฝาผนังตัวทิ้งไปก็ติดอยู่วนฝอเปื้อนหมดเลยเป็นรอยลอยความรักลอยความสุขลอยความทุกข์ลอยความใีใจเสียใจรอยได้ลอยเสียมันติดไม่ไปสัมผัสสัมผัสไม่ดีไม่มีสติลงล็อกไม่เห็นจักแต่ว่ามันติด เมื่อมันติดคืออะไรสมมุติแล้วก็ บ, บัญญัติในเวลามันสัมผัส ม, มีการสมมุติมีการบัญญัติเรีก ว, ว่าโลกสัตว์โลกติดบัญญัติติ ด, ด, ตดสมมุติเนี่ยมันเห็นแบบนี้นะบัญญัตเอาเองต่างคนต่างบัญญัติไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ชอบอย่างไหนะ บั ญ, ญัติว่าอันนี้ดีอันนี้ดีกินเล่าดีก็บั ญ, ญัติว่าเล่าดีลอนตาใครประท้วงไปยังสภาวัฒนธรรมแต่ก่อนยี่สิบปีก่อนนั่งรถประจำทางรถจอดที่ไหนเล่าจะาเลาเ ม, มีตายไม่เสียดายทะโลหกอ้ยอย่างนี้กผมเปิดให้คนฟังได้ยินไว้ ใหญ่ตายไม่เสดยดายทะโลหกเล่าจ๋าเล่าจาโอ้ยทำไมจังปล่อยบ้านเมือเป็นนี้เนี่ยมันสมมุติออกอุลีมันก็ชอบบางทีสมมุติออกของเหม็นๆสมัยหนึ่งนั่งรถประกาจากเชียงรายมาขอนแก่นมาถึงแถวเด่นชัย นี collection collection, ่คนคนหนึ่งขอเปลี่ยนที่นั่งของเราเราเขาเขาให้นั่งอยู่ท้ายให้ลดสุดๆไม่ต้องเบียดกับใครนี่คนนั่งก็เบียดเข้าไปขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนเราก็ลุกอยู่นพรว่าเราได้ที่ดีแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องไปกีดขวางใครมันก็มาปัดเข่าของเราออกมันก็เข้าไปนั่งแทน ต่อมานั่งหลงก็เอาผ้าคุมหัวมันก็ดมเก่าเหม็นไปทั้งรถเลยมันดมเก่าไม่มีฟังเสียงใสเหม็นไปใครอะใครใอะไรพอที่ชดคนรถก็วิ่งมามันก็ไปหลวงพ่อก็บอก่นะคนเนี้ยคนนี้หลวอบอกว่าอ่ะก็ แขนเอาดึงผ้าหัวมันยังเอ้าอยู่นั่นนะจับแขนเรามาจอดรถเอาทิ้งไม่เด่นใช่เลยอ่ามันมันสมมุติมันบัญญัติมันก็ต่างกันทำผิดทำไม่ทอบอะไรมันบัญญัติเอาเวลามันสัมผัสมันก็ติดได้ไปสุขสนกับเรื่องอะไร เป็นจริตเรื่องนั่นไปมันสัมผัสไม่มีสติไม่มีอารมณ์กรรมฐานไม่เห็นรูปทำนามธรรมตามความเป็นจริงเมื่อมีสัมผัสก็ ม, มีบัญญัติสมมติบัญญัติเมื่อมีสมมุติบัญญัติก็มีอุปทานยึดมั่นถือมันเขาแบบมันต่อเป็นสายแบ่งสายอากุศลถึงเปรตเป็นสุรกายเป็นจระโลกไปโน่นนั่นชํานาญในทางนั้น เป็นอุปทานยืดเต้ากลายเป็นจริตราคะจลิตวันติดราคะอะไรก็คิดไม่รู้จักพอในรูปรถกินเสียงโธชาจริดเอาความโกรธออกด้าออกตาโงหัฉจริดเอาความหลงองอกน่ะออกตาหาความรู้ที่เป็นสัจจะจริงจังไม่มีเลยชีวิตทั้งชีวิต ลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตยายมันก็ไม่มีค่าอะไรเอาจึงมาฝึกกรรมฐานให้มันเห็นเห็นสมมุติเห็นมันหยัดเห็นปรลมัดปรลมั ด, ม, ดมันมีอยู่ในสมมุติในสมมุติมันมีปรมัดเช่นความโกรธเป็นสมมุติมันหยัดเอาเอง คงไม่โกรธเป็นปรมาจิั จ, จะมีอยู่ทำไมไม่เใช่ทำไมไม่ใช่ออไ ม, ไ ม, ใชมันมันถูกต้อง ก, อก่อนอันหนึ่งมันผิดจริงอันหนึ่งมันไม่ผิดมันมีอยู่ความหลงไม่จริงบอกถ้าบอกเด็กความโกรธเป็นจริงความไม่หลงมันจริงความไม่โกรธมันจริงอย่างเนี้เรือว่าปรมาจิั จ, จะอันเดียวกันเลยสมมุติต่างกันคนละแบบ แต่ละมัดอัเทียวกันความจริงอยู่กับใครก็เป็นของจริงของคนนั้นก็มไม่โกรธอยู่กับใครก็เป็นเขามไม่โกรธของคนนั้นก็มไม่ทุกข์อยู่กับใครก็เป็นของคนนั้นเป็นเป็นความชอบของเขาเป็นสัมมาทิฏฐิลุ่งอรุณเห็นแก่งเห็นทางนันจริงกอกันนั้นวัตถุอาการ He en? He en? เห็นเห็นปัญญาเห็นมันถัก่อนเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมามันก็เกิดกำจัดกิเลสไปงั้นเห็นสมมติเห็นมันหยัดความหลงไม่ลงอะไรเกิดขึ้นขนาะเท่าไรมก็มกละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคไปเรืเ่อยๆไปดำเนินไปเลยเหมือนล้อรถร้งไปข้างหน้า ไปสู่ความไม่มีไม่เป็นอะไรเหมือนโดดจลัลรยรถนำไปสู่ความเจริญไปจักแข่งธรรมหูนไปจนถึงไม้ไปลายทางจ บ, จ บ, จบอันนี้อะไรมันหมดไปก็รู้อะไรมันหมดคนอะไรไปก็รู้เหมือนเราเดินทางไกลนรื่งเครื่องบินที่มีคอมพิวเตอร์อยู่เบก เรากดดูบินผ่านไปที่ไหนเครื่องบินอยู่ผ่านไปไหนแผนที่ประเทศอยู่ในประเท ศ, ดเทศใทศดกดดูมันก็มีรูปเครื่องบินวิ่งบินไปมันก็ผ่านนั่นเขาก็บอกเขาก็บอกความสูงความต่มเวลาเนี้ยบินอยู่ระหว่างพื้นดินกับอากาศ สูงเท่นั่นพุทธเท่านี่พุทธความเร็วเท่านั่า น, านกมโตหนึ่งชัวง่วโมงอีกผ่านนั่นผ่านนี่ไปแล้วก็บอกอันนี้ก็เหมือนกันการเดินทางของชีวิตขอมันบอกความเพยย็ยความจริงมันบอกจะให้หลงมันไม่หลงอีกแล้วมันผ่านไปแล้ว จใจโกรธมัไม่โกรธอีกแล้วผ่านไปแล้วใจทุกข์มันไม่ทุกข์อีกแล้วผ่านไปแล้ ว, ม, ม, ล ว, ลวมันก็ผ่านไปแบบนี้เรียกว่าหลุดพน้นที่สุดคือหลุดพ้นชาติหน้ า, านี่เป็นชาติหน้านการหลุดพน้นไม่ใช่ชาติหนาเพื่อล่อดยศฉลชนไม่ใช่ล่อดศักดิ์ละไม่ใช่มิตรพวกพ้องบริวาร ว่ใช่เจ้าระทิเป็นแห่งการหลุดพ้นมาเป็นเพื่อนกันมาศึกษาดูเรียกว่าให้บันเกิดประโยชน์แก่เราจะได้สงบร่มเย็นมีสินฉามันยะตาสมือกันอยู่เป็นเป็นจุกเป็นชาตนาชีพจริงๆ าศาสนาของกายมันก็มีหิวข้าวชินหิวก็จินข้าวหายหิวกายรู้กายใจเป็นเงนใจนี่มันต้องหมดเหมือนกันพ้นไปเหมือนกันาศาสนาที่คือวิมุตจุดหมายปลายทางหัดให้มันพ้นไปเ ห, นเห็นเห็นหรว่า ทัศนังนุตติยะเห็นทุกเห็นทุกทัศนังจติยะปฏิ ป, ปทานุตติยะพยายมที่จะออกไปไม่เห็นมันทุกเหมือนเราเห็นงูเห็นง<ม>ูไปหางูไม่ได้มันจะกัดให้มีอาการออกไปถอยออกไปถอยออกไปเจวปฏิปทาออกไป เข้าไปเข้าไปหามาันนี่ทุกออกไปเห็นแล้วมันออกไปได้ถ้าเห็นแล้วมันพ้นได้ถ้าไม่เห็นมันพ้นไม่ได้แล้วก็ปฏิปทานุตัลเลียออกไปวิมุตตานุตัลเลียพ้นแล้วอย่างนี้เรียว่าเห็นอริสัตถ์สี่อะไรก็แบบนี้เป็นหลักถ้าเป็นหลักทฤษจดีสัจติษะดียอดเยี่ยม เห็นออกปฏิปทาออกไปหลุดพน้นแล้วถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีป็นทาอะไรปัญหาหรือเป็นปัญญาเพราะมันเห็นไม่ใช่ปัญหาเป็นปัญหาเรื่อยๆเราจะอยู่ด้วยกันร้วความต่างคนต่างทำอันเดียวกันเป็นงานอันเดียวกันไม่ใช่งานคนละอยา่างงานชีวิต ที่ได้ชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นอะไรจนในที่สุดมันไม่เป็นอะไรกลับอะไรเลยนัแ่แต่ว่ามีชีวิตได้ยังสุขยังทุกข์ยังคมร้อยคมดีอยู่มันไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันจบเป็นเรียนจากกายอันคว่องโศก้าวนาคืบคว่องโศกหนังคืบคว่องโศกหนังหนังได้โศกคนดี อ้าว oh. หนาคืบนงยาวานมันมีป ร, ริญญาอยู่ที่นี่ยาตะปริญญาติคณะป ร, ะริญญ า, า, าป๋าหนาณปริญญามีความสำเร็จอยู่ตรงนี้นจบจบเลยทำไมจะต้องมีปัญหาชีวิตเรามันชีวิตมานี่มีชีวิตมาี่เพื่อการนี่โดยตรง ไม่ใช่จะมามีอันอื่นวิธีศึกษาก็มีเรื่องเดียวเท่านี้คือกรรมมาฐานไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอื่นใดบางคนก็มาถามว่าจะต้องเรียนพระไตรปิฎกด้วยหรือบางทีไปเทศอ่านพระไตรปิฎกข้างกันฟั ง, งอ่านสูตรนั่นอาสุตนี้บางทีไม่ได้เรียน ก็น้อยใจไปบางคนก็โทษแท้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปอ่านอ่านได้อ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในเนี่ยกายใช้รูปธรรมนามธรรมอยู่นี่ที่เราสวดอะไรที่เราสาธยาะไปสวดบาปเป็นเรื่องของกายของใจเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยออกมาจากนแปดมืนสี่พันอย่างออกมาจากรูปจากนามนี่ กิเลสพันหตันหาลอยแปะอยู่ที่รูปที่ดามเนี่จิงได้ทําให้เศร้าหมองจึงนั่นเรียกว่ากิเลสจิงที่มาทําให้จิตใจเศร้าหมองทาให้ใจมันเศร้าหมองนั่นเรียกว่ากิเลสจิงได้ทําให้จิตใจเบิกบานเรียว่าไม่ใช่กิเลสอย่าไปเอาอะไรมากํากหนดตัวเองเกินไป ให้เราเห็นหลงเห็นรู้ไปจะเห็นช่องเห็นทางเห็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์เห็นโกรธเห็นไม่โกรธเห็นปัญหาไม่เป็นของเ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานอารมณ์เหมือนเหมือนหลักเหมือนเราถือไปจับไปเหมือนเราจะผ่านเวลาเราเดินไปเซไปจับเราไว้ นี่คือลูกนี่คือนามนี่คื อ, อตาหูจมูกเล่นกายใจนี่คือความคิดมันจะไปสุบลุกจับใบไม่ใช่จับไบเรียก ว, ว่าอารมณ์ผู้ได้อารมณ์กรร ม, รมฐานเลยพอตัวมั่นใจไม่ต้องมาเชื่ออะไรนอกจากการธรําของเรา บางทียังไม่ก้อนแถวคณศาสตรคนใสมีไหมรงก็บางทีเขาก็กลัวบางทีก็ามาครูบางคนกลัวว่าเป็นโน่นเป็นนี่เขาก็ทําท่านนั่งท่านในดูนะม่มีคนชาสติทุนใส่นะถูกคนศาตรคนใสนะเนี่ยต้องไปแคร์ถ้าไม่แค่ตายนะเนี่ย แค่ที่ไหนล่ะอาจารย์เราจะแค้ให้ต้องไปหาบางทีก็ไปแย่งคนสากาศมาก็ไม่ใช่แต่ก่อนก็เคยเป็นหมอเลื่อนนี่กันนันก็เป็นได้คนที่มีไม่มีคคกรรมเคยกระทําของตนเด็กแช็งคว้างชีวิตแช็งคว้างเอาแล้วแต่จะเป็นยังไงปล่อยไปไม่รู้จักใช้ชีวิตของตนเด็ก ให้คนอื่นดัดไถไปทางนู่นไปทางนี้ตรง ท, งที่ตรงทางก็น่าหนี้เราถ้าเราเห็นทำเห็นการการะทําจริงๆไม่ต้องไปไปข้องแวะกับจริงใดมันอยู่กับการการะทําของเราคนศาสตคนใสให้เขนาทํนนาลงไปแต่ ว, ว่าเจ้าตะปูเข้าท้อง จเจ้าหนังเข้าท้องเฮ้ยแตเอาหนังไปแจ้งใส่ขี้เหล็กอันได้กินเท่าท้องลายจ้ามาเสกหนังเข้าท้องมันเข้ามาได้จเจ้าปืนใบยิงเนี่ยตายแ น, น่นอนจะเอาหนังเข้าท้องจะเอาลูกตะปูเข้าท้องเอาเลยไม่ต้องกลัวปูวแต่มีแต่ปืนมันตายอัน น, นั้มันเป็นไปมาได้ศาสตร์ใสทั้งหลายทั้งปวงเป็นชั่วปัญญัติ ปืนยิงไม่เข้ามัดีไหมมีดฟันไม่เข้าดีไหมเขาว่าดีเขายังยิงอยู่มันจะดีหรือเขายังมีดมาฟันอยู่มันจะดีหรือเอาให้เขาไม่ยิงน่นอะให้เขาไม่ฟันน่นอะถ้าเขายังยิงอยู่แสดงว่าคนนั่นไม่ดีถ้าเขาไม่ยิงเขาเห็นเรานุกตรงไหว้เนี่ยแต่ ท่างนาลาชิลิงเทวทัตปล่อยให้ปาชนข้าผู้เจ้ากับูสอสงขณะปิณฑบาตเจ้าชาตัตรูก็เทวทัตปล่อยช้างนาลชิลิงที่ดูไลขณะนั้นผู้เจ้าเดินบิณฑบาตกับพระอนุนกับโอสง ข้าเห็นวิ่งเข้ามาใส่เดินวิ่งมาทั้งหน้าพระเจ้าบิ็นทบาตออกหน้าพระนนเดินขึ้นไปตืนอยู่บนข้นหน้าให้ช่างชนตัวเองโอ้โหช่างวิ่งมาอันก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรอันก็เลยไม่ชนก็เลยหมอบลงก็เลยเอาชนะได้เพราะบางทีมันก็รู้ ไม่ว่าแต่คนแต่สัตว์เขาจะมายิงมาข่าไงเขาจะมายิงมาข่าไงไม่แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าแลาจึงสวดพรพระนราคีลิงขจวลังอธิมาตตปูตองอะไร <c oughs> <c oughs> สวายพรพระในวันพระ อ, อหุงสหัสสมาพิเนเมตสาอุทานต่างครีเมขลงัง ขิตตะคุระตะเสนามาลังธานาติธรรมอวิทินาขิตต ะ, ะวะเราว่าไปมันมีความหมายอย่างนี้นะเพราะอะไรล่ะเพราะคุณธรรมเนี่ยตามานตาบอะไรต่างๆกินจะมานางกินจะมานี่ยโน่นอะไรหลายอย่างที่พระเจ้ชชาชนะได้ไม่ได้ไป ล, ไปลบไปล่าไปฆ่าไปฟันกับใคเวียนเตยในใจบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรอะเราไม่เป็นจัตุร์ใครเราไม่เปี่ยนใครเราไม่เปลี่ยนตัวเองเสียงอื่นวัตอื่นเราไม่เปี่ยนเด็ดขาดในโลกนี้มั่นใจเรื่องนี้ที่จริงไม่ต้องมีคุกตารางก็ได้มาต้องมีตำรวจทหารก็ได้ในโลกนี้แต่มั่นใจอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทําชั่วไม่เช็ดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทําให้ใครเดือดร้อน คนไทยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีคุกตรางทำไมตอนนี้ก็เฉ่นฆ่ากันตายอยู่กรุงเทพาอนาจารย์มาอยู่ที่นี่ังปิดโรงเรียนต่อไปจนสิ้นเดือนโรงเรียนก็เรียนไม่ได้เพราะอะไรโอมันมีปัญหาหนัวใจปัญหาเกิดขึ้นคนหนึ่งก็มีปัญหาต่อไปเรื่อยๆไปเราจะมาชวนกันดี แม้จะรอไปฆ้าก็ไม่ขู่ขาอะไรที่มันเกิดความไม่ดีมันเกิดหลงมันหลงถ้ามันไม่หลงมันไม่เป็นต้องมาฆ่าตัวหลงฆ่าคิเละ ต, ตัวนี้ยทำลายตัวนี้มาสอนกันเน่ยมาบอกกันเนี่ยไม่ต้องไปเฉินไปฆ่ากันนี่คือ กองทัพทำอาวุธทำอาวุธมีศีลมีสติเข้าไปไมันจะหายพยิ์หมดพิษได้คนในโลกเนะี่ยแล้วก็เมื่อมัหมดพิษเราไปไปทำไปช่วยกันแกของสองตะเคียงช่วยกันให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานไปช่วยกัน ไปช่วยกันให้มันเป็นลูกตุ้มให้ไปทาให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพูดให้เขาฟังจึงจะมีประโยชน์อย่าตัดช่องงอเฉพาะตัวอูลงตาก็ตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อสอนการนี้ไม่ใช่ตัดเฉพาะตัวเพออยู่เพอร์พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็น ชวนมาอย่างนี้ที่ประเทศไทยศาสนาพุธในวังไทยพระสงฆ์ในวังไทยสอนกันอย่างนี้ไม่มีสติอย่าหลงมันจะไปได้ไอ้ใช่มาสอนให้หลงตัวเห็นหลักฐานอย่างนี้เห็นรูปเห็นนามเห็นวัตถุอาการที่เกิดกับรูปไม่ตาไม่หูเห็นวัลลามัดเห็นสมมติ เมื่อเห็นสมงมันหลจืดเลยความโลภของโกรธความหลงจืดเลยความโง่หลงหายจืดไปเลยมีการกระทำมันมั่นคงระวันเชื่อมั่นระวันเชื่อมัน่นเราจถ้าจะสัมผัสหลังนี้้แล้วถึงศีลถึงสมาธิปัญญานะอยากจะบอกแม่ลูกชายของแม่ ชายของพ่อลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้คุ้มค่าน้ํานมเราอยากจะบอกอย่างนั้นแล้วตอนแม่อาจจะทํำมาได้ลูกชายของแม่ทําได้ลูกสาวของแม่ทําได้อยากจะบอกแต่พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ตายไปแล้วะดี๋ยวนี้พ่อแม่มีเนี่ยไม่ต้องเอาแม่ไปทำอะไรทําอย่างนี้นี่พ่อแม่โกรธไปได้ทุกข์ไปได้ชั่วไม่ได้สงสารพ่อแม่ เนี่ย yeah. ใครก็ตามไม่ลูกก็อยากให้ลูกเป็นคนดีถ้ามันเป็นคนดีเราสุดหัวใจของพ่อของแม่ลูกเป็นคนดีพ่อแม่มีความสุขใจทุกใดใดไม่ท ร, รมานิตใจพ่อแม่เท่ากับลูกผมชั่วเสียหายแมนบอลโยมทุกใดใดไม่ท ร, รมานิตใจพ่อแม่เท่ากับลูกผ ม, รรมชั่วเสียหายลูกไม่มีก็ไม่ทุกเท่าไหร่ มีลูกแต่ลูกตายก็มีวันหลงไม่ทุกเท่าไหร่แต่ลูกชั่วทุกที่สุดในโลกแม่บอกอืมแน่นอนเราจึงเป็นคนดีตอบุญท่นคุณพ่อแม่ให้พ่อแม่หยียมใจถ้าเราเป็นคนดีพ่อแม่อิียมใจใช่นี่แล้วถ้าเราเป็นคนชั่วพ่อแม่ยังหิวหิวความดีของลูก ยิ่งพวกเรามาวดเนี่ยมีโอกาสเต็มที่ให้ทำมาหาจินอะไรให้มาทำงานอันนี้โดยตรงมาอยู่เป็นเพื่อนกันชวนกันทามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องกายเรื่องใจให้พึ่งพาอาศัยกันจะไม่ทอบมทิ้งอยู่ด้วยกันแบบนี้นี่คือประเทศไทยของเรานะในนี้เราจะมีปฏิบัติทากันแล้วสมมุติขึ้นมา ปฏิบัติสมมตรเริเตือนไหนเตือนไหนไว้ที่ไหนอย่างนี้เพียงแต่บัญญัติว่าประกาศให้คนได้มาเถอะมาเถอะมาเถอะเท่านั้นเองแต่เราก็ทําเหมือนเดิมที่นี่ก็ทําเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ใจท่านปฏิบัติเราก็จะเทศอยู่นี่ตนเช่าทุกคนพูดอยู่เนี่ย <laughs> ไม่ได้ทําแบบไหนอีกไม่มีวิธีแบบใดอีกอันเดียวเท่านี้ สองก็ยัมีสติเท่านี้ไม่มีอะไรเลื่อนชั้นไปไหนมันอยู่กับเราเนี่ยนั่งที่ไหนก็ยกมือช่างจังบารูเฉกตัวเนี่ยเอ็จางกงรูเฉกตัวเนี่ยเวลามันหลงเกินหลงเป็นรูเน่ยศึกษาแล้วไปแล้วได้ได้บทเรียนแล้วหลวงหลงได้บทเรียนได้บทเรียนแล้วมีค่าปัญหาได้บทเรียนมีค่าขึ้นมาประสบการณ์ ความหลงความทุกข์ประสบการ์มันหลงรู้จะอกประสบการ์ไปเรื่อยไปชำนานได้เลื่อนฐานะขึ้นมาได้จากการปฏิบัติธรรมนี่ก็วันละเท่านี้ก็พอเนาะจบเท่านี้ก็พระพอมกัน